มีเวลาหนึ่งชั่วโมงเป็นหนึ่งชั่วโมงที่หลวงพ่อเหนื่อยที่สุดเลยเวลาถามปัญหานะบางคนก็าถามไม่เป็นนะจริงๆควรจะถามเรื่องนี้ที่ตัวเองติดประเด็นนี้ก็ถามอีกเรื่องหนึ่งอะไรเงี้ยพูดยากบางทีถามหลวงพ่อตอบอีกเรื่องหนึ่งไม่ได้ตอบเรื่องที่ถามเรื่องที่ถามไม่มีสาระเท่าไหร่ะ ต้องเอาไปฟังฟังแล้วเอาไปทําดูนะช่วงหนึ่งเึงจเข้าใจอย่างบางคนบอกให้ไปทาอันนี้เลยทอันนี้นะลองไปทําดูความคลุความเข้าใจที่เกิดขึ้นนัเป็นอีกเรื่องหนึ่งที่จริงๆมันต้องเป็นอย่างนั้นอย่างบางคนแค่บอกว่าไปดูกระดูกนะพอเขาดูกระดูกจิตเขารวมจิตเขารวมแนละ้วเขาเห็นรูปมันทางานเห็นนามมันทางานเห็นอะไรตั้งเยอะแยะเลย ก็คือรวมความว่าเห็นใจรักของรูปนามเยอะแยะไปหมดเลยงั้นบางทีบอกให้ทำอะไรก็อย่าดื้อเลยนะไปทําทำําเถอะเดี๋ยวก็ดีบางคนอาจจะยังไม่ไว้วางใจหลวงพ่อนี่สอนอะไรมนรู้ฟังยาก <c oughs> บางคนบอกหลวงพ่อนี่เป็นพระที่เข้าถึงยากเมื่อก่อนหลวงพ่อเรียนกับหลวงปูด่ดูลไปคนเดียวสองคนนะนั่งถึงเข่าท่านเลยคุยกับท่าน ดูท่านนะสอนเราอ้เมตตามากเลยพอสอนเสร็จแล้วกราบท่านนะจะลาแล้วกราบท่านเงยหน้าขึ้นมาเหมือนคนไม่รู้จักแล้วรู้สึกหลวงปู่ดูนีเข้าถึงยากอย่างทั้งๆ ท, ท, ที่จับหัวเขาท่านอยู่ก็เข้าถึงยากถ้าเราภาวนานะวันหนึ่งใจเราเข้าใจขึ้นมาเราถึงจะรู้ว่าเร า, ากับครูบาอาจารย์นี่อยู่ด้วยกันตลอดแต่ไม่เคยทิ้งกันไปไหนเลย พุทธเจ้าถึงบอกพระวักะลิผู้ใดเห็นธรรมผู้นั้นเห็นเราผู้ใดเห็นเราผู้นั้นเห็นธรรมอย่างคนมาบอกว่ารู้จักหลวงพ่ออย่าเชื่อไม่รู้จักจริงหรอือรู้จักแต่เปลือกถ้าภาวนาอย่างน้อยที่สุดนะต้องตื่นขึ้นมาก่อนพอตื่นขึ้นมาสามารถมีสติรู้กายรู้ใจตามความเป็นจริงได้เห็นความเปลี่ยนแปลงของตัวเองได้ในเวลาไม่นานหรอกนะ อันนี้ถึงจะค่อยรู้จักหลวงพ่อนิดหน่อยะะโอ้ที่หลวงพ่อประมวทบอกนี่มันเรื่องจริงทั้งนั้นเลยนะอะไรเนะงี้ยค่อยเริ่มเชื่อนะงินฝั่งหลวงพ่อพูดนาะบางคนก็บอกคงเป็นป <ๆ S 2> นรัชญาบางคนก็ว่าเป็นอภิธรรมปรัชญาก็ได้เหมือนกันปรัชญาแปลว่าปัญญาเี็นคำเดียวกันนะเป็น ส, สันสกฤตเป็นอภิธรรมก็ได้เหมือนกันนะเพราะสิ่งที่เราเรียนนี่คืออภิธรรมทั้งสิ้นนะเราเรียนเรื่องจิตเรื่องเจตสิกเรื่องรูปเรื่องนิพพานนี่คือเรื่องอภิธรรมทั้งหมดเลย เงี้ที่เราภาวนาอยู่เนี่ยเรากาลังเรียนอพิธรรมกันอยู่มีบางคนก็โอ้สอนสนุกบางคนก็บอกว่ามาทุกวันเลยเป็นลูกศิษย์ใกล้ชิดถ้าใจไม่ตื่นนะยังไม่รู้จักหลวงพ่อหรอกทุกวันนี้เวลาเทศเราเทศง่ายขึ้นเยอะเลยแต่ก่อนอยู่สวนพวน์เนีเวลาจะสอนอะไรนี่ต้องระวังมากเลยถ้าเราไม่มีพยานทุกวันนี้คนที่เข้าใจสิ่งที่หลวงพ่อบอกเนี่เยอะแยะไปหมดละ ถ้าใครจะมาบอกหลวงพ่อประมดโกหกนี่มีคนเถียงแทนให้เยอะเลยเพราะชีวิตจิตใจของเขาเปลี่ยนได้จริงๆด้วยธรรมะน่าอัศ จ, จรรย์ที่สุดเลยแค่การมีสติรู้กายรู้ใจไม่ได้ทำอะไรสักอย่างไม่ได้เข้าไปแทรกแซงกายแทรกแซงใจทำไมชีวิตจิตใจเราเปลี่ยนได้ทำไมความทุกข์มันตกหายไปได้อันนี้ไม่ใช่หลวงพ่อเก่งนี่คือธรรมะของพระพุทธเจ้าท่านั้นเลย เมืราลงมือทำนะเราพบความเปลี่ยนแปลงในตัวเองอย่างรวดเร็วพระธรรมะของพระพุทธเจ้าเป็นธรรมะที่ไม่เนิ่นช้าถ้ารู้สึกเนิ่นช้าทําอะไรปีแล้วเหมือนเดิมขอยืนยันเลยว่าทําผิดแน่นอนถ้าไม่ทําผิดนะก็คือพวกพระโพธิสัตว์นะมีอยู่สองพวกถ้าทําถูกนะเราก็ไม่ได้วุ่งพุทธภูมิวุ่งปัิเจกกับพุทธภูมิอะไรคู่นี้เราจะเห็นความเปลี่ยนแปลงในตัวเองอย่างรวดเร็วเล นี่บางคนเห็นแล้วก็ตัดบางคนเห็นแล้วก็ยังไม่ตัดนะก็แล้วแต่ความพร้อมของแต่ละคนไม่เท่ากันแล้วเราคอยดูนะสำรวจตัวเราเองไปได้วยนะกายวาจาใจของเราอะไรที่ยังไม่ดีเราคอยรู้ทันไหมอะไรที่ดีแล้วอย่าให้มันเสื่อมไปหายไปคอยดูแลมันไหมคอยมีสตินั่นแหละถ้ามีสติแล้วนะกุศลมันเริญขึ้นอกุศลมันดับไปมันเป็นเองแหละคอรู้สึกตัวไว พูดไปพูดมาก็กลับมารู้สึกตัวถ้าไม่พูดรู้สึกตัวจะพูดรู้สึกอะไรรู้สึกหมารู้สึกแมวหรือเลยก็ต้องรู้สึกตัวเองไวสินะเรารักตัวเองมากที่สุดเลยแต่เราทอดทิ้งตัวเองบ่อยที่สุดเลยเรารักตัวเองนะแต่เราดูคนอื่นเราฟังคนอื่นเราคิดเรื่องคนอื่นบางทีก็คิดเรื่องตัวเองคิดเอาเองแทนที่จะรู้สึกถึงความมีอยู่ของกายของใจจริงๆที่กาลังมีอยู่จริงๆเนียดูของจริงตรงนี้เลย ของจริงตรงนี้แหละจะสอนธรรมะเราเองจ ะ, สะแสดงไตรลักษ์ให้ดูหลวงพ่อเรียนจากครูบาอาจารย์ไม่ได้เรียนนานนะเรียนจากหลวงปู่ดูลยเจดนะนะเดือนไปหาท่านหลังเจเดือนไปหาท่านท่านก็บอกพึ่งตัวเองได้แล้วช่วยตัวเองได้แล้วนะมีพระรัตนตรัยเป็นที่พึ่งล้ท่านบอกงี้เราก็รู้สึกนะเรามีพระรัตนตรัยเป็นที่พึ่งเพราะเรารักพระพุทธเจ้ามากเลยเรารู้ว่าพระพุทธเจ้าสอนของจริง พระทธเจาสอนของจริงเราลงมือจเจริญสติรู้กายรู้ใจเราพ้นทุกข์ไปแต่เป็นลําดับลําดับไม่พ้นทุกข์ทีเดียวหมดหรอกกิเลสของเราเยอะสะสมมามากภาวานานิดๆหน่อยๆอยากบริสุทธิ์หลุดพ้นมันก็มากไปหน่อยเนียโลภมากนั้นต้องสมน้ําสมเนื้อกันสะสมกิเลสมานานแล้วก็จเจริญสติเป็สียบท น, น ะ, จะเจริญชาติเดียวบนเราอยู่ได้นิดเดียวเองที่สะสมกิเลสมานับภมนับชาติไม่ท้วน คนเราพัฒนายากมากนะถ้าไม่มีธรรมะถ้าคนไหนหูตาว่องไวระลึกได้ในอดีตนะคนนี้เคยรู้จักนี่ระลึกไปหมื่นปีก่อนกับปีนี้นิสัยเหมือนกันยากเหลือเ ก, กินเลยที่คนคนหนึ่งจะเปลี่ยนแปลงตัวเองได้ในเวลาหมื่นปีนะอย่าว่าแต่100ปีเลยอย่าว่าแต่5ปี10ปีหรือเดือน2เดือนที่เราภาวนาเนี่นิสัยหมื่นปีก่อนเนีเดี๋ยวนี้ไม่ค่อยจะต่างกันเท่าไหร่หรอก ช้ามากเลยเพราะไม่รู้วิธีที่จะพัฒนาตัวเองถ้ารู้วิธีนะมีสติรู้กายมีสติรู้ใจทําความเป็นจริงเห็นกายเห็นใจแสดงไตรลักษณ์ไปเรื่อยๆใช้เวลาไม่นานเจวันเจ็ดเดือนเจปีต้องมีผลนะต้องมีความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นนะคนที่มาเรียนอยูหลวงพ่อตอนนี้ที่ตื่นขึ้นมาก็คงมีเป็นหมื่นละคนเหล่านี้รู้สึกถึงความเปลี่ยนแปลงของตัวเองนะ เคยทุกนานานก็ทุกสั้นลงเคยทุกหนักหนักก็ทุกน้อยน้ความเปลี่ยนแปลงมันมีให้เห็นได้เลยหลายคนมาบอกเลยไม่น่าเชื่อเลยแค่รู้สึกตัวตอนนีนน้รู้กายรู้ใจนี่ทำไมความทุกข์มันตกหายไปได้ขนาดนั้นนั้นธรรมะน่าสำคัญมากนะพวกเราค่อยๆเรียนนะเรียนไปได้วยรู้สึกกายรู้สึกใจวิธีเรียนธรรมะไม่ใช่เรียนที่โดยการมาฟังหลวงพ่ อ, อยางเดียวนะไม่พอ ต้องคอยรู้สึกกายรู้สึกใจของตัวเองไว้นั่นเรียกธรรมะของจริงธรรมะที่ฟังจากหลวงพ่อเรียกว่าปริยัติธรรมะของจริงที่เราคอยรู้กายคยรู้ใจเรียกว่าปฏิบัติถ้าเรารู้กายรู้ใจพอสมควรแนละก็เกิดปฏิเวทขึ้นมารู้แจ้งขึ้นมารู้แจ้งเห็นเห็นจริงในธรรมะลดละกิเลสได้ธรรมะจริงๆต้องลดละกิเลสได้นะธรรมะที่กิเลสยังไม่กระเทือนเลยเนะ่ใช้ไม่ได้นะไม่ใช่ของจริงหรอก เราต้องเห็นความเปลี่ยนแปลงได้จริงๆเลยนะเป็นรู ป, ปรธรรมไม่เฉพาะตัวเองเห็นนะคนรอบๆตัวเราก็เห็นหลายคนมาเรียนกับหลวงพ่อพักหนึ่งนะขนาดยังเป็นปุถุชนนะแต่เป็นปุถุชนที่เริ่มมีสติขึ้นมาคนในบ้านยังรู้สึกถึงความเปลี่ยนแปลงเลยบางทีตามกันมาทั้งบ้านเลยเพราะเรื่องนี้แหละเพราะเห็นว่าอินังนี่เคยร้ายร้าเมียเราคนนี้นะร้ายร้ายเมื่อไหร่มันจะตายสักทีเนะมียมาฟังหลวงพ่อนะฟังไปฟังมา ทำไมมาฟังหลวงพ่อบ่อยผัวมันหลอยถ้วยนะเนี่ยผัวก็ว่าเมียมเมียก็ว่าผัวนะว่ากันไปว่ากันมาลูกมันดือ้อลูกมันไม่รับดีลูกมันหนีไปจากบ้า น, นอะไรยว่ากันไปว่ากันมาลูกก็ว่าแม่แม่ก็ว่าลูกเนยวุ่นวายกันพอคนหนึ่งมาหัดภาวนานะเกิดความเปลี่ยนแปลงที่เหลือในบ้านนั้นก็เลยสนใจเอ๊ะทำไมคนนี้เปลี่ยนไปแต่เดิมบางคนนึกว่าหลวงพ่อสะกดจิตมเมียเราบ้าไปแล้ว มันเคยปากมา้าตอนนี้มันเป็นปากมนุษย์ขึ้นมาแล้วนะมันแปลกไปสงสัยหลวงพ่อนี้ทําอะไรซักอย่างตามมาดูมาดูแล้วก็มาหัดเจริญสติน ะ, ะตื่นขึ้นทั้งบ้านมีความสุขกันทั้งบ้านคนในที่ทํางานก็เริ่มรู้สึกพวกเราที่เรียนกับหลวงพ่อช่วงหนึ่งมีคนมาถามธรรมะบั้งไหมที่คนก็ชอบมาถามนะทาไมดูผ่องใสทําไมดูดีอะไรเงี้ยทำไมดูสงบทําไมดูยิ้มแย้มแจ่มใสเพราะเราเปลี่ยนให้เขาเห็น แต่บางคนภาวนาได้นิดหน่อยอยังไม่ทันจะเปลี่ยนเลยนะร้อนเล่าร้อนอยากจะเผยแพร่แล้เะนะที่ยวไปยัดเยียดให้คนน้้ยคนนี้นะเขารู้สึกพูดอะไรก็ไม่รู้เปลี่ยนตัวเองให้ดีนะแล้วเข้ามาเองเชื่อหลวงพ่อสิหลวงพ่อไม่ได้เชิญพวกเรามารู้สึกไหมเรามาเอง <laughs> เราเปลี่ยนตัวเราก่อนนะเปลี่ยนตัวเราก่อนแ้วเรามีความสุขขึ้นมาให้เขาเห็นได้นะมีความเปลี่ยนแปลงให้เขาเห็นได้แนละ้วเขาถึงจะเชื่อ แ้วเขาเชื่อแล้วาลองลองมือทําดูนะถ้าเขาทําแล้วเขาเห็นความเปลี่ยนแปลงในตัวเขาเองคราวนี้เขาเชื่อแน่นแฟนเลยเชื่อแน่นแฟนเหมือนหลวงพ่อภาวนาหลวงพ่อเห็นความเปลี่ยนแปลงในตัวเองแล้วเชื่อพระพุทธเจ้าแน่นแฟนเลย <S <'s so เขารบพระพุทธเจ้าที่สุดเลยเขารบครูบาอาจารย์ที่สุดนะเอาหัวแทนรองเท้าให้ท่านได้เลยต่อไปถรวจกันบ้านใครไม่จําเป็นอย่าส่งนะใครจําเป็นคิดว่าจําเป็นก็ค่อยส่งเอานะ คนไหนไม่จําเป็นก็ส่งใหม่มีไหมอ้าวเชิญก็ได้ฟังซีดีหลวงพ่อแล้วก็เริ่มปฏิบัติมาประมาณสัก6เดือนแล้วค่ะจริงๆก็ก็เข้าใจบางประกาศแล้วก็ดูไปเรื่อยๆเละคะมีอะไรเปลี่ยนบ้างไหมหกเดือนนี้ก็เห็นกิเลสเห็นอะอย่างนะะี้ว่าค่ะแต่ว่าก็เอ่อก้นจีก็มีความเข้าใจพอสมควรนะคะเห็นแล้วเป็นกลางไหม บางครั้งไม่เป็นกลางบางครั้งก็ไม่รู้บางครั้งเป็นกลางก็ทราบบ้างเวลากิเลสเกิดบางทีก็ไม่รู้นี่เป็นเรื่องปกตกิบางทีก็ไม่รู้บ า, รบางทีรู้รู้แล้วไม่เป็นกลางถ้ามันรู้ไม่รู้นะเราก็หัดรู้ไปถ้ารู้แล้วมันไม่เป็นกลางเราก็รู้ทันว่าไม่เป็นกลางไปต่อไปมันจะรู้ทุกอย่างด้วยจิตที่เป็นกลางขนะีวัดสาคัญเลยนะรู้กายรู้ใจด้วยจิตที่เป็นกลางรู้ไปด้วยแล้วดีเองแหะ ก็คือปฏิบัติมานเรือดก็เลยอยากจะให้หลวงพ่อช่วยดูว่าอยู่ในเส้นทางพอสมควรยังอยู่นะ แ, แต่ว่ายังได้น้อยหน่อยพยายามรู้สึกรู้สึกให้มากมากนะรูะ้กายเคลื่อนไหวรู้สึกใจเคลื่อนไหวรู้สึกแต่ไม่บังคับมันตอนเนี้กดเอาไว้นะอย่าไปกดมันกราบหลวงพ่อครับเ ม, มื่อวานนี้ได้มีโอกาสส่งการบ้านหลวงพอก่อนที่จะเริ่มเริ่มมาอยู่ที่วัดหลวงพ่อแนะนําให้ เปลี่ยนมองที่ภาวนาอยู่นะใช้ได้นะครับรู้สึกไหมจิตเราไม่เหมือนเดิมไม่เหมือนเดิมเลยจิตมันโปร่งโล่งเบานะรู้เนื้อรู้ตัวขึ้นมานะ้ครับไม่ได้มีปัญหาแล้วส่งไม่ไปรู้สึกไปเลยนะที่ทําอยู่เนี้ยดูไปกลับมาโซกันว่าจะไปนกนกเปล่านกค่ะเมื่อก่อนเป็นนกกรมิ้นตอนนี้เป็นนกตัวใหญ่หน่อยก่อนนกตัวเล็กว่างไป จะรบกวนให้หลวงพ่อช่วยดูจริตนิสัยและชี้แนะแนวทางเจ้าค่ะเราดูไปเลยนะดูลลก ป, ปัจจุบันไปบางทีก็รู้กายบางทีก็รู้ใจจริตของเราผสมผสานะดูไปเรือเ่อยอย่าบังคับยังบังคับอยู่นะวันนี้พาคุณพ่อมาด้วยคะ่ะนี่เหรอคุณพ่อนึกว่าคุณพี่หรือคุณเพื่อนทำไมยังห น, นุ่มมาสักการของพ่อครับจะให้คุณพ่อดูว่าตอนนี้เป็นยังไงบางครับจิต พอใช้ได้แล้วนะใจจะตื่นอยู่แล้วอย่าไปบังคับมันก็นแล้วกันรู้สึกไหมใจเราโล่งๆสบายขึ้นแต่อย่าน้อมไว้ไนะอย่าไปรักษามันมันเป็นอย่างนี้ก็ปล่อยให้มันเป็นมันไม่เป็นก็ช่างมันมันเป็นยังไง ร, รู้ว่าเป็นอย่างนั้นไว้ลหลักของวิปัสสนานะคือการรู้กายรู้ใจตามกว่าเป็นจริงนะด้วยจิตที่เป็นกลางนี่คีย์เวิร์ดจําไว้นะรู้กายรู้ใจตามความเป็นจริงนะด้วยจิตใจที่เป็นกลางคือไม่หลงยินดีไม่หลงยินร้ายกับมัน ดั้นถ้าเรารู้สึกกายรู้สึกใจได้นะก็ดีแล้พอรู้สึกไปแล้วไม่เป็นกลางเช่นเราเห็นกิเลสเกิดขึ้นเราไม่ชอบเนี่ยรู้ทันว่าไม่ชอบเห็นความสุขเกิดขึ้นเราชอบให้รู้ว่าชอบรู้ทันลงไปอีกชั้นหนึ่งในสุดต่อไปนะใจจะรู้ทุกอย่างอย่างเป็นกลางพอรู้ทุกอย่างอย่างเป็นกลางเราจะเห็นความจริงแล้วไม่ใช่เห็นสิ่งที่อยากให้เป็นแต่เห็นว่าจริงๆเป็นยังไงส่วนใหญ่อยากให้เป็นอย่างนู้นอยากให้เป็นงี้แล้วภาวนาไม่ได้หรอกเราต้องดูว่าจริงๆเป็นยังไง ดูไปเร่อนะที่ฝึกอยู่พอใช้ได้ล้อ่ะนี่พวกอยู่วัดทําไมเยอะจริงวันนี้นักราชการงพ่อกดเอาไว้หรือเปล่าแล้วไปกดมันทําไมอ่ะปล่อยทิ้งไปปล่ปล ย, ปลยนี่พูดเอาแต่ได้ละรู้่าฝึกค่ะก็คงต้องพยายามต่อไปคดูเล่นๆ น, นะต้องเล่นนะอย่าจริงจังการภาวนาเนี่ยดูเล่นๆการทําอะไรเล่นๆ เ, เนี่ยเป็นนิสัยคนไทย งั้นคนไทยเวลาทําของเล่นเนี่ยจะเก่งเวลาทํางานจริงๆเนี่ยไม่ได้เรื่องเลยเวลาเราถ้าเราตั้งใจภาวนามากนะไม่ได้เรื่องหรอกมันขัดกับนิสัยประจําชาติเวลาเล่นเล่นสังเกตดูการเมืองอย่างเล่นเห็นไหมแล้วคนไทยเวลาเล่นอะไรนะเล่นแบบบ้าคลั่งเล่นไม่เลิกกบางคนเล่นพระบางคนเล่นสแต็มบางคนเล่นสะสมของเก่าอันไหนชอบเล่นนะเล่นอยู่นั่นน่ะ เล่นกล้วยไม้เล่นนกเล่นอะไรเงี้ยเล่นไม่เลิกหรอกแต่ถ้าเป็นงานจริงๆนั้นหนีได้ก็หนีนั้นทําเล่นๆนะดูเล่นๆไปแล้วจะขยันดูดูอย่างที่มันเป็นไม่ใช่ดูอย่างที่อยากให้มันเป็นเอาว่าไปไม่ก็กดไว้รู้สึกไหมน่าเห็นไหมจิตมันมัวมัวดูออกไหมดูออกครับจิตมันมีโมหะให้รู้ว่ามีโมหะไปเลยตรงไงอมันเหมือนเป็น พยายามจะปฏิบัตินั่นแหละบอกแล้วทาเล่นๆเนี่ยกะจะทําจริงจังพยายามจะปฏิบัติเลิกไปเลยนะความพยายามอยู่ที่ไหนความล้มเหลวอยู่ที่นั่นล้มเหลวจริงๆนะเพราะว่าพยายามนั่นแหละโลภ ะ, ะเราไปใช้ศับสูงว่าพยายามคําว่าพยายามเลยคําว่าวิริยะจริงๆเนี่ยนะหมายถึงอะไรหมายถึงการที่ทํากิเลส ท, ที่กําลังมีอยู่เนี่ยให้หมดไปกิเลสใหม่นั้นก็เกิดไม่ได้การทําสติทํากุศลให้เกิดนะทำกุศลให้เกิด มีแล้วเนี่ยมีเกิดบ่อยๆนี่ถึงจะเรียกว่ามีความเพียรเมื่อไใดมีสติเมื่อนั้นมีความเพียรเมื่อไรขาดสติเมื่อนั้นขาดความเพียรจำไว้นะว่าทันทีที่มีสติน่ะอกุศลเก่าจะดับทันทีอกุศลใหม่จะไม่เกิดกุศลที่ไม่มีอยู่จะมีขึ้นมาทันทีเลยกุศลที่เกิดแล้วจะเกิดมากขึ้นมากขึ้นพัฒนาขึ้นเรื่อยๆเช่นพอมีสติก็มีหิริโอตปะมีอินเซียสังวรมีศีลมีสมาธิมีปัญญามีวิมุติมีวิมุติยานทัศนะมีเป็นลําดับไป นันคำว่ามีความเพียรคือมีสตินะคอรู้สึกการู้สึกใจไม่ใช่เพียรเพื่อจะบังคับตัวเองพวกเราเอาเอาคำว่าเพียรมาใช้ในคําว่าอยากอยากให้มันดีเราพยายามเข้าไปแทรกแสงเราใช้คําว่าพยายามยาเราเลือกคําที่ดีๆนะคําว่าพยายามดูดีทำจริงโลภดันยิงอยากรู้สึกอย่างที่มันเป็นง่ายนิดเดียวแล้วไง กดอยู่รู้ไหมเทศตั้งนานแล้วยังไม่เลิกอีกฮะกลัวเปล่าก็นิดๆครับหลวงพ่อยิ้มทั้งวันนะคนก็ชอบกลัวนะทำยังไงถึงจะปล่อยมันได้ครับทําไม่ได้ถ้าทําไม่ปล่อยหรอกหลวงพ่อยกตัวอย่างให้ฟังนะสมมุติว่าเราเดินไปเจอเสาเนี่ยแม่เสานี่เกกะหยากผลักมันผลักสามใดที่เรายัางผลักเสาเนี่ยมือเราจะติดอยู่ที่เสาสามใดที่เราผลักอารมณ์นะจิตเราจะเกาะ อ, อยู่ที่อารมณ์จำไว้นะ เห็นมันก็จะวปยุ่งกับมันสิถอยออกมาไปยุ่งกับมันเพราะนั้นเวลาจิตเข้าไปติดเนียไยุ่งกับมันเลิกมันไปถอยไปหนีไปเที่ยวที่อื่นซะนะให้จิตไปรู้อารมณ์ใหม่ๆอันอื่นซะมันก็หลุดละแค่นี้ก็หลุดละแต่ถ้าเราไป้เกาะอยู่ทํางี้จะหลุดทำไงหลุดยยิ่งไม่อยากได้อะไรเอาไปผลักนะมือผลักอะไรก็ติดอยู่ตรงนั้นแหละนึกออกไหมถ้าผลักโดยมือไม่ติดนี่เป็นอะไรก็ไม่ใช่ผลักใช่ไหม <c oughs> แต่จิตเราเนี่ยเราชอบผลัก ชอบผลักอารมณ์มั่งชอบดึงอารมณ์มัางถ้าเราผลักหรือเราดึงน้ำมือเราต้องไปเกาะไว้ถึงผลักได้ดึงได้คือจะให้รู้เฉยๆนะเอจิตเข้าไปเกาะ อ, อยู่รู้ว่าเกาะจิตหลุดออกมารู้ว่าหลุดรู้เล่นๆไปอสอนเอาแต่ได้เนี่ยเ <laughs> มื่อก่อนครูบาอาจารย์สอนลหลวงพ่อให้ก็สอนอย่างเงี้ยเราก็นึกเมื่อไหร่จะทาได้ <laughs> ท่านบอกไม่ต้องทําอทําไงจะไม่ทําเนะี หาเรื่องกันได้แหละก็ภูมิจิตภูมิธรรมมันอย่างนั้นมันก็ต้องเป็นอย่างนั้นนะค่สะสมเดี๋ยววันหนึ่งก็พ้นไปเองครับดูไปอา้าแบ่งโซนบบแบ่งโซนวันนี้ให้พวกข้างหลังก่อนพวกข้างหน้ามากไปละ3ามกอ้าวกลักบนวัตการหลวงพ่อครับไม่ได้มาส่งกันมากประมาณ3มเดือนแล้วครับก็ช่วงนี้ก็เพิ่มรูปแบบคือเดินจงกรมเช้าเย็นครับหลวงพ่อ ก็รู้สึกว่าตอนนี้ก็คือสภาวะที่เห็นคือภาคน้อยลง<ม>แล้วก็อที่เห็นก็คือว่ามันมันไม่เป็นกลางนะครับแต่รู้สึกว่ามันเบาลงเยอะอะครับเก<ม>็ดีนะดูไปมันยังกดอยู่นิดหน่อยนะยังบังคับนิดนิดหน่อยหน่อยมันยังไม่เป็นกลางทีเดียวหรอกแต่ว่าสบายขึ้นแล้วล่ะดูไปอีกทําไปอีกครับแล้วมีอะไรที่หลวงพ่อแนะนำไปเดิ น, นอีกนะเดินไปเดินแล้วเห็นกายมันเดินเดินแล้วเห็นจิตมันทํางาน ทำตัวเป็นแค่คนดูนะนเบอร์สี่สิบเอ็ดอ๋อคับแล้วที่นะกดที่มันใจมันเต้นเต้นตอนนี้ก็คือเห็นก็คือว่ามันยังกดอยู่นิดหน่อยใช่ไหมครับใจเต้นไม่เกี่ยวนะใจเต้นเป็นเรื่องของร่างกายอย่าให้หยุดนะส่วนกดเนี่ยมันเกิดจากเราตื่นเต้นรเราตื่นเต้นแล้วยิ่ไม่อยากจะตื่นเต้นแล้วก็พยายามบังคับตัวเองเห็นไหมเราไปบังคับมันปล่อยให้ใจเต้นอย่าไปเลิกซะเบอร์สีบเอ แยกกันนะใจเต้นอันหนึง่งกับตื่นเต้นแล้วไปกดมันไว้อยากอยากยังไม่ตื่นเต้นนี่เป็นอีกเรื่องหนึง่งอยากไม่ตื่นเต้นเป็นกิเลสใจเต้นเป็นเรื่องปกติเป็นวิบากเฉยๆกับหลวงพ่อครับผมก็ได้ฟังซีดีหลวงพ่อแล้วก็ดูจิตมากับเพื่อนๆแล้วก็พี่ๆที่ออฟฟิศนะครับอยากให้หลวงพ่อช่วยดูว่าตอนนี้<ผ>มั <ทำ S 1> นเะป็นอย่างไรบ้างครดูไปเรื่อยๆเห็นกิเลสบ่อยๆแล้วยัง เห็นครับดีดูไปได้เลยนะกิเลสเกิดแล้วรู้กิเลสเกิดแล้วรู้อย่าไปเกลียดมันคร <Okay. S 2> นะเราไม่คล้อยตามกิเลสแล้วเราก็ไม่ต่อต้านกิเลสกิเลสมาเรารู้เฉยๆยรู้เล่นเล่นไปที่คุณฝึก อ, อยู่ใช่ได้แล้วละ่นะใจเริ่มตื่นขึ้นมาแล้ว <Okay. S 2> รู้สึกเปล่าใจตอนนี้กับแต่ก่อนไม่เหมือนกันแล้ว <Okay. S 2> มันโล่งเบากว่าแต่ก่อ น, นรู้สึกไหม <Okay. S 2> มันโปร่งมันโล่งมันเบามากขึ้นนะตอนนี้กดเอาไว้หน่อยนึงเมื่อกี้แอบไปคิดทราบไหม ไม่ทันครับไม่ต้องทันไม่ต้องทันนะเนี่ยใจแอบไปคิดอีกแล้วทราบไหมพอรู้สึกได้ไหมครับเนี่ยอย่งเนี้ยนะเราดูตำหลังมันหนีไปคิดก่อนแล้วเรารู้ว่ามันหนีไปคิดครับรู้สึกไหมมันยังตื่นเต้นอยู่รู้สึกครับเนี่ยหัดรู้สึกเนี่ยการดูจิตนะไม่ใช่ไปดูตัวจิตความรู้สึกอะไรเกิดขึ้นนะให้เราคอยรู้เท่านั้นก็พอละตัวจิตแท้ๆเราดูไม่ได้ตัวจิตไม่มีรูปร่างอะไรให้ดูตัวจิตเป็นตัวดู เราจะไปดูจิตนั้นดูไม่เจอคล้ายๆเอาผู้ดูไปเที่ยวหาผู้ดูนะหาไม่เจอหรอกเพืาะนเบื้องต้นเนี่ยเราหัดรู้ความรู้สึกไปก่อนเช่นความสุขเกิดขึ้นก็รู้ความทุกข์เกิดก็รู้อะไรๆเกิดก็รู้นะจิตโลภจิตโกรธจิตหลงก็รู้นะจิตฟุ้งซ่านจิตหดหูก็รู้หัดรู้อย่างนี้เรื่อยๆจิตแอบไปคิดก็รู้รู้จักจิตแอบไปคิดหรือ ย, ยัง น, น่าจะมีเพระก่อนเพราะสองสัปดาห์ก่อนหน้านี้รู้สึกว่ามัน ปั่นป่วนมากครับออปั่นปวน่วนนั้นเราก็รู้ว่าจิตฟุง่งซ่านไปนะได้หัดรู้อย่างนี้ได้ๆไหนก็ เ, เก่งเองอะเมื่อเจ็ดสบสารราชการหลวงพ่อครับผมเมื่อสักสิวันก่อนเกิดอุบัติเหตุกับตัวเองครับคือไปตรวจรับเรือครับเป็นเรือเดินในทะเลลําใหญ่ๆครับแล้วก็ไม่ทำอะไรกับเรือนะไปตรวจรับนะครับไปเช็คเรือครับเ อ, อ, เ อ, อแล้วก็บันไดขึ้นเรือมันสูงประมาณตึก2ชั้น <ม>ก็เดินขึ้นไปแล้วบันไดมันโค่นลงมาครับแล้วก็<ม>ทับเท้าผมก็บันไดหนักเป็นตันแล้วก็ตอนนี้เท้าก็สาหัสนิดนึงแต่ก็โอเคแล้วครับ<ม>แต่ว่า ต, ตั้งแต่ตอนที่บันไดทับเท้าจนไปถึงโรงพยาบาลจนรักษาเสร็จตอนนั้นผมผมรู้สึกว่ามันไม่ใช่เท้าเราครับมั น, น, นเป็นสิน่งอื่นซึ่งซึ่งผมพาไปหาหมอตามตามหน้าที่ครับอ<ม>ซึ่งตอนนั้นผมรู้สึกว่าต่อให้มันจะขาดไปเลยผมก็ไม่เสียดายอะไรเนี่ยมันเสียด้ทีหลัง แล้วอะไรอีกครับแล้วก็แล้วก็พอพอเข้าโรงพยาบาลผมก็ไม่รู้ทําอะไรก็เลยนอนดูเวทาดูดูจิตไปเรื่อยๆเออต้องอย่างนั้นแหละดีแล้วก็เห็นว่าที่เท้ามันเกิดเวทนาขึ้นมาความรู้สึกปวดนิดๆหน่อยๆอะไรเงี้ยครับเวทนากระเท้ามันเป็นสองสิ่งที่อยู่ใกล้ๆกันเฉยๆนั่นแหละดีเห็นถูกต้องครับผมเห็นไหมที่เราภาวนามามันได้ผลนะเกิดอะไรขึ้นเรายังพึ่งตัวเองได้ช่วยตัวเองได้เห็นไหมเรียกใครมาช่วยก็ไม่ได้นะ ถึงตอนนั้นต้องช่วยตัวเองแล้วจิตเราจะดีจะเลวเกิดจะตายขึ้นจริงๆก็ไปสุคติถ้าเราดูร่างกายมันตายนะจิตเป็นกลางอย่างแท้จริงนั้นดีไม่ดีได้ธรรมะไปเลยนะได้โสดาได้สกทาคาอะไรเงนก็ไดนะ้ฝึกไว้อะดีละเห็นคุณประโยชน์ของธรรมะที่ยังไม่งั้นนะขาก็เจ็บนะใจก็กลุ้มอีกทีนี้เหลือแต่เจ็บขายังเห็นอีกนะความเจ็บกับขาคนละอันกันอีกนี่ก็เก่งหลายอย่าง อ้าวร้อบสหลวงพ่อครับโทษครับผมไม่ทราบว่ามีอะไรต้องปรับปรุงในการปฏิบัติไม่ต้องไม่ต้องนะแต่อยากกดเอาไว้ก็แล้วกันนตอนเนี้บันไดทับไม่กลัวนะเจอหลวงพ่อเรากลัวอา้าวร้อยสี่ิบสองฝึกนะ้าพวกเราหลายคนได้เห็นผลละเวลาจะเป็นจะตายขึ้นมานะธรรมะช่วยเราได้กลับนมัสการของหลวงพ่อคือไม่ทราบว่าที่หนูปฏิบัติอยู่นี้ถูกหรือ ย, อยังนะคะกล <c oughs> ้าถามนะ <c oughs> กล้าฟังคําตอบไหมกล้าค่ะทำไมยังกลัวลนะ่ะกล้าจริงหรื อ, อใช้ได้<จ>ะนะฝ <ไป S 1> ึกไปที่ดูอยู่ใช้ได้หัดดูไปอีกคจิเลสอะไรเกิดขึ้นก็รู้จิตแอบไปคิดล่ะรู้ไหมเวลาจิตหนีไปคิดดูออกไหมออกบางครั้งค่ ะ, ะเออบางครั้งก็ยังดีน ะ, ะทุกครั้งที่เราหนีไปคิดเนี่ยแล้วถ้ามีสติรู้ทันเนี่ยโอ้โหการภาวนาเราใช้ได้เลย ตอนนี้หนีไปคิดอีกแล้วทราบไหมมันไหลไปจิตเราไหลตลอดเวลาเราเคยมีสติรู้ไว้ไม่ใช่ห้ามไม่ให้ไหลนะะถ้าห้ามเราจะเครียดภาวนาแล้วถ้าเครียดเนี่ยทําผิดถ้าภาวนาแล้วเครียดน่ให้เลิกไปเลยเริ่มต้นนับหนึ่งใหม่คอยรู้สึกกายรู้สึกใจใหม่น้องายหญิงหนูเป็นพวกเหมาะกับการดูจิตใช่ไหมคะหลวงพ่อดูได้ดูได้ถ้าเราเป็นคนนักคิดอยู่เบอร์แปเจ็ขอบคุณมากค่ะ กรรมแลมรดการหลวงพ่อเจ้าค่ะปังซีดีหลวงพ่อมาสองปี ม, มีตอนนี้รู้สึกกายรู้สึกใจเป็นบางครั้งวันหนึ่งบ่อยขึ้นไม่ทราบว่าตอนนี้มีอาการกดที่จิตหรือเปล่าคะใช่ใช่ภาวนาดีแล้วนะดูตัวเองออกแล้วการภาวนาคือการเรียนรู้ตัวเองเราเป็นยังไงกายเป็นยังไงรู้สึกใจเป็นยังไงรู้สึกอย่างตอนนี้ใจหนีไปคิดทราบไหมทราบค่ะ รู้เฉยๆอย่าไปบังคับตอนนี้กดเอาไว้แล้วรู้สึกไหมทราบค่ะดีแล้วที่พะทราบแ ล, แล้วกาบเรียนหลวงพ่ออีกอย่างหนึ่งทำยังไงเราถึงจะรู้กายรู้จิตได้บ่อยๆขึ้นนะคะหัดดูไปเรื่อยๆนะพอเราหัดดูทีแรกนั้นเรายัางขี้เกียจ ด, ดูอยู่เราไม่เห็นคุณประโยชน์แต่พอเรารู้สึกตัวมากขึ้นมากขึ้นนะเราจะเห็นเลยว่าตลอดเวลาที่รู้สึกตัวมันมีความสุขนะความทุกข์มันน้อยลงน้อยลงเนี่ยเราจะขยันดูเอง ขยันไปขยันมานะขยันมากไปอยากดูไม่ให้คลาดสายตาเด่นมากไปอีกล ะ, ะก็ปล่อยให้มันหลงบ้างห้ามรู้ตลอดนะรู้ตลอดไม่ได้นะเราไม่ใช่พระอราหันต้องรู้ไปหลงไปเย้ค่ะเห็นไหมสอนไม่เหมือนใครเขาบอกมีมม็มีแต่ใครเขสอนจะอย่าให้เผลอนะไม่เผลอได้ยังไงก็คนมันจะเผลอจิตเป็นอนัตตามันจะเผลอห้ามได้ที่ไหนอะ่ะอ้าวร้อยี่ส กราดนมัสการหลวงพ่อค่ะเพิ่งเริ่มหัดทำแต่ไม่รู้ที่ทํานี่ถูกหรือเปล่าอะคะเห็นกิเลสไหมถ้าเห็นกิเลสก็ถูกเห็นเป็นบางครั้งจะเห็นชัดเวลาโทสะค่ะโทสะเป็นกิเลสที่ดูง่ายที่สุดดีนะถ้าอยู่ๆก็มาบอกหลวงพ่อว่าเห็นโมหะเยอะแล้วก็ไม่จริงหรอกต้องนึกเอาเองและเห็นโทสะบ่อยๆนั่นแหละเห็นจริงๆน่ะ เห็นแล้วทํำยังไงเห็นแล้วก็ดูเฉยๆค่ะแต่บางทีมันก็ไม่ได้หายไปเลยก็อะไรนะบางทีมันก็ไม่ได้หายอะค่ะก็คือดูดูดไปเวลาจะ ห, <ต>หายาไหมใจมันจะเต้นแรงอะค่ะอยา ก, กให้หายไหมก็บางครั้งแต่ว่าก็ไม่ไช่ยทุกครั้งอะค่ะให้รู้ทันนะที่มันไม่หายนะเพราะเราใจเราไม่เป็นกลางใจเราไม่ชอบมันนะเพราะฉะนั้นให้เรารู้ทันใจที่ไม่ชอบมันเวลาดูแล้วก็รุนเมื่อไหร่จะหายสักที พอมัน<ช>หายไปเราก็ภูมิใจเห็<ช>นไหมพอมันไม่หายเราก็ชังหงุดหนงะิดทำไมไม่หายหรือไม่ก็สงสัยอยดูนี่ถูกหรือผิดเพราะฉะนั้นดูไปนะแล้วจิตใจเราเป็นยังไงคอยรู้เลยจิตสงสัยก็รู้จิตดีใจก็รู้ภูมิใจก็รู้นะเสียใจก็รู้ลำคันก็รู้รู้ลูกเดียวตอนนี้จิตหนีไปคิดอีกแล้วทราบไหมใช่ค่ะดีไปฝึกอีกค่ะเบอร์อ 15, อร้อยสิบห้เบอร์ กราบธะสักการหลวงพ่อดีใจไม่ได้ไหมดีใจรู้ไหมว่าดีใจลืมค่ะเออดีแล้วไงอีกก็หนูดูจิตมาประมาณครึ่งปีค่ะหลวงพ่อเมื่อประมาณเห็นความเปลี่ยนแปลงของเราไหมเห็นค่ะก็ทุกน้อยลงค่ะอืมแล้วก็เมื่อช่วงต้นเดือนนะคะก็มาเข้าคอร์สกับทางบ้านอารียค่ะแล้วก็ ได้รู้สึกว่าการการสวดมนต์ทำวัดอะคะ่ะทำให้จิตเรามีแรงมากขึ้นน ะ, ะดีสินะหนูก็เลยกลับไปทําช่วงแรกห น, ห น, หนูสวดไม่เป็นค่ะหนูก็หนูก็จิตใจหนูก็จะจ่ออยู่กับบทสวดอะคะ่ะพอหลังๆเริ่มจําได้มันเริ่มไปแล้วค่ะแล้วมันมันจะเริ่มหลงทีนี้เลยไม่ทราบว่าถ้าถ้ามันหลงไปอย่างนี้น <ลง S 1> ี่หลงเราก็รู้เอาค่ะหลงที่หัดสวดเนี่ยนะเพื่อจะได้ว่าหลงไปแล้วจะได้รู้เร็วๆเท่านั้นเองไม่ให้ฝึกไม่ให้หลงนะ ค่ะเงินฝึกอละหั่งสัมมาเอ่านิไปแล้วรู้ทันสัมพุโทโธพราะว่าอ่านีไปอีกและรู้ทันอย่างนี้ค่ ะ, อะเออยากกลับไปผู้หญิง <ไป S 2> ส, สวดไม่เป็นไม่ค่อยมีอะผู้หญิงสวดเก่งทุกคนอะ <c oughs> อ่ะว่าไปค่ะเล้วมีอยู่ช่วงหนึ่งที่ที่เข้าคอร์สหนูได้ยินหลวงพ่อเทศบอกว่าถ้าเรารู้สึกตัวเฉยเฉยเนี่ยไม่ได้ต้องต้องเดินปัญญาด้วยหนูก็เลย เวลาหนูรู้สึกตัวหนูชอบถามว่าแล้วนี่แกเดินปัญญาลให้เู้ลงไปเลยว่าจิตกำลังฟุ้งซ่านอยู่ฟุ้งซ่านละค่ะแล้วการเดินปัญญาคืออะไรคะหลวงพ่อหน่าหลวงพ่อสอนคนที่เขาเดินปัญญาไม่เป็นของคุณยังไม่ต้องเรียนอของคุณตอนนี้ยังไม่ได้ติดในความนิ่งความว่างบางคนมันรู้ตัวขึ้นมาแล้วก็นิ่งนิ่งว่างๆแล้วพอใจอยู่แค่นั้นนี่เราติดไม่เดินปัญญาค่ะ ถ้าเราอยากเห็นความเปลี่ยนแปลงนะเห็นกายเคลื่อนไหวเห็นใจเคลื่อนไหวเห็นความเปลี่ยนแปลงไปเรื่อยเห็นใจรักอยู่ได้เรียกว่าเดินปัญญาอยู่อ๋อค่ะเราในช่วงระหว่างวันจะขอหลวงพ่อให้วิหาระท่รู้สึกร <ไป S 2> ่างกายไปนะร่างกายรนะ่างกายที่เคลื่อนไหวเราไปรู้สึกเลยด้ค่ะใจแอบไปคิดดวก่ะไหมค่ะเอาร่างกายมาช่วยนะเพรพวกเราเนี่ยแต่ละคนทํางานที่ต้องใช้ความคิดหนักมากเวลาใช้ความคิดนานๆไปนะใจมันหมดแรง จะดูจิตดูใจดูไม่ค่อยรู้เรื่องแนละอันนี้มั่วๆไปหมดลนะมึนๆงงๆมัวๆแล้ ว, วดูดูจิตได้ไม่ชัดดูกายไปเลยหลวงพ่อแต่ก่อนก็ใช้วิธีเนี้ยอย่างตอนทํางานนะนั่งทํางานอยู่ทําไปชั่วโม ง, ง, ง, งกว่าๆอะไรเนี้ยเหนืนะ่อยนะต่อเบรกด้วยกันเดินไปห้องน้ำตอนลุกขึ้นจากโต๊ะทํางานจะเดินไปห้องน้ําเนี่ยดูจิตยังไม่รู้เรื่องหรอกจิตยังคลุกอยู่งานหัวหมุนติ้วๆอยู่ดูไม่ได้เราเห็นร่างกายเดินไปห้องน้ํานะ เรออกแขกห้องน้ำนะจิตใจสบายแล้วเราเห็นจิตที่สบายก็เดินออกมาหมายถึงว่าเวลาเราร่างกายเราเคลื่อนไหวให้เราเหมือนต้องน้อมใจไหมคะเพราะว่าไม่น้อมไม่น้อมแค่เห็นร่างกายก็คือรู้สึกว่ามั น, นะ ว, มนว่ามันมีการคเคลื่อนไหวแค่รู้สึกว่าร่างกายเคลื่อนไหวไม่น้อมนะไม่ต้องน้อมว่านี่เป็นแค่รูปอะไรอย่างนี้ไม่ต้องนะอันนั้นฟุ้งซ่านนะอันนั้นเป็นความฟุ้งร้างค่ะต่อไปโซนนี้บ้างโซนนี้บ้าง129กรากลบนมัสการหลวงพ่อค่ะ ขอส่งการบ้านค่ะระหว่างนั่งสมาธิอะค่ะนั่งสมาธิไปแล้วเนี่ยปรากฏว่าทุกอย่างมันหายไปหมดนะคะอ mm hmm. หลังจากนั้นเนี่ยก็เกิดรู้รู้สึกตัวอยู่ป่ารู้สึกตัวอยู่ค่ะ <Yeah. S 1> แล้วก็เกิดมีตัวรู้ขึ้นมาอยู่ตัวตัวหนึ่ง mm hmm. เบาๆสบายๆ mm hmm. นะคะหลังจากนั้นก็ไปเห็นกายเป็นรูปแล้วก็ไปเห็นจิตต่างคนต่างอยู่ทํางานเป็นอิสระ <c oughs> แก่กันนะนะคะ เสร็จแล้วปุ๊บก็เลยกลับมาอยู่ที่ตัวผู้รู้ก็เห็นจิตเปลี่ยนอีกเปลี่ยนมาแสดงอาการแผ่เมตตาตัวผู้รู้ก็เลยบอกอ่ะเราไม่ได้แผ่ทําไมถึงแผ่อไปเกิดความรู้สึกว่ามันไม่ใช่เรา ม, มันทํางานแทนเราก็เลยอยากจะไปบังคับอืก็เลยไปบังคับแล้วพบกฏว่าไปบังคับมันได้มันหยุดพอมันหยุดภูมิใจปุ๊บแล้วสติเมื่อเกิดว่าผิดแล้วเออผิดแล้ว ก็เลยจะถามหลวงพ่อว่าจริงๆอย่าไปประคองตัวรู้ไว้นะตัวรู้จะมีหรือตัวรู้จะหายก็เรื่องของตัวรู้ค่ะเราไม่เอากระทั่งตัวรู้ค่ะแต่ตัวรู้มีอยู่เพราะเราทำฌานพอเราทําสมาธินั้นโลกธาตุหายไปหมดร่างกายหายไปหมดเหลือแต่ตัวรู้อันเดียวพอเราออกจากสมาธิมาตัวรู้ยังทรงอยู่เราจะเห็นทันทีว่าร่างกายนี้มันไม่ใช่เราพอจิตมันทํางานเราก็จะเห็นว่าจิตไม่ใช่เราก็ดูอย่างนี้แหละ แต่อย่าประคองรักษาตัวรู้น ะ, ะถ้าเพ่งใส่ตัวรู้แล้วก็ติดสมถะที่ร้ายแรงที่สุดเลยแก้อยากเราต้องเพิ่มเติมเดินต่ อ, อยังไงคะดูไปเล่นๆ น, นะของคนจริงจังไปนิดนึงตอนนี้มันเหมือนจะโดดรีบลุกลีก้ลุกลนจะไปลุยปฏิบัตินะใช่ค่ะนั่นแหละไม่เอายิ่งรีบยิ่งช้าจำไว้นะแ ต, แต่ยิ่งขี้เกียจยิ่งไม่ถึงเลยนะดูเล่นๆไป ให้สบายกว่านี้หน่อยใจมันลุกรีบลุกลนไปนะจะรีบรีบเอาค่ะอย่าไปเอาผลมันให้มีความสุขที่ได้มีสติอยู่กับปัจจุบันพอละส่วนผลเป็นยังไงช่างมันบรรลุไม่บรรลุเรื่องของมันไม่เกี่ยวกับเราแล้วก็เห็นแล้วเนี่ยจิตไม่ใช่เราที่ไปห่วงอะไรมันอยากให้มันบรรลุทําไมมันไม่ใช่เรามันจะไปลงนรกก็ช่างมันแล้วแค่รู้ทันเบอร์69ดีภาวนาใช้ได้ เห็นไมคนที่เรียนกับหลวงพ่อมีสารพัดแบบเลยพวกทําสมาธิก่อนเห็นไหมแล้วมาเดินปัญญาก็มีพวกทําสมาธิไม่ได้เดินปัญญาไปเลยก็มีพวกทําปัญญากับสมาธิควบันเลยก็มีอีกนะมีแต่ทั้ง3มแบบเอาว่าไปคําน้ำมัสการครั บ, กกรรบเอ่อผมอยู่นครสวรรค์นะฮะไม่ค่อยได้มาก็เลยจะรบกวนหลวงพ่อช่วยอยู่ดีขึ้นเยอะแล้วนะครับใจมันเป็นผู้รู้ผู้ตื่นขึ้นมาได้แล้วเราคอยรู้มันไปนเรื่อยๆไม่ได้ผิดอะไรหรอก ดูเล่นๆ เ, เห็นกิเลสไ้ยกิเลสมีทั้งวันเลยดูออกยังก็เห็นบ่อยขึ้นนะครับนะดีจิตใจก็สบายขึ้นละเบอร์่อ4สอยู่ข้างหลัง <c oughs> นงมัตรการหลวงพ่อค่ะคือหนูมาเมื่อปีที่แล้วแล้วหนูส่งการบ้านท่านไปครั้งหนึ่งถ้าบอกว่ า, าให้ ดูจิตก่อนเพราะหนูมาทางด้านนั่งสมาธิมาหนูก็เลยไม่กล้าที่จะดูไม่กล้านั่งสมาธิก็ดูจิตดูจิตมาเรื่อยๆจนถึงปเดือนที่แล้วหนูมาครั้งหนึ่งรู้รู้สึกว่าอึดอัดหายใจไม่ออกมันแน่นแล้วก็ถามพี่พี่ที่มาที่นี่ด้วยพี่กขาบอกว่าให้หยุดเลิกดูไปก่อนเพราะนั่นคือเราเราผิดจริงๆแล้วพอดูเราเลิกมันก็เลิกไม่ได้ จิตมันไปดูของมันเองจนซอกพักหนึ่งอาทิตย์หนึ่งที่หนูรู้สึกว่ามันอึดอัดมากหลังจากนั้นก็รู้สึกเบาลงแล้วก็มันเหมือนกับว่ามีก้อนเล็กๆขึ้นมาแล้วก็หายขึ้นละหายขึ้นแล้หายพอหลังจากนั้นก็ตอนตอนตอนเย็นตอนข้ามหลานูเข้านอนหนูมีความรู้สึกนอนปกติแต่เห็นจิตกระเห็นเห็นร่างนอนแต่จิต จิตตื่นแล้วเหจิตรู้ว่าคือเอ่อเป็นเจ้ากรรมนายเวรที่มา hmm. ก็เลยยกมือขึ้นไหว้ hmm. แล้วหันไปดูร่างว่าร่างนอนนิ่งๆแล้วทําไมเรายกมือไหว้ได้ hmm. แล้วก็ว่าแล้วเราเป็นคนที่สวมดมนต์ไม่เป็นก็เลยบอกว่าด้วยกุศลใดที่เราทําขอให้เจ้ากรรมนายเวรนั้น hmm. ได้รับโดยทั่วถึงหลังจากนั้นรู้สึกว่า จิตเราว่างตลอดแล้วก็อะไรที่มากระทบจิตมันไม่ถึงถึงจิตอมันรู้สึกโล่งโปร่งแล้วใจเราพอใจไหมตรงนี้ก็เฉยเฉยมันไม่ไม่เราดูออกไหมใจเราไม่ได้เฉยจริงจริงดูออกไหมเนี่ยอย่างตอนเนี้ยใจกังวลแล้วรู้สึกมใช่ใช่ค่ะเนี่ยเรามันได้ไม่ได้เฉยจริงอ่ะมันจะมีอารมณ์เล็กๆนะแทรกอยู่เรื่อยๆเราค่อยมีสติรู้ไปเรื่อยๆอ่าค่ะแล้วแล้วน่ตอนนี้ก็คือว่า หนูก็ยังไม่นั่งสมาธิอยากถามท่านว่าหนูเริ่มที่จะปฏิบัติทำสมาธิควบคู่ได้ไปด้วยได้หรือเปล่าทำได้แต่อย่าเพ่งนะค่ะอย่าไปเพ่งแต่จริงๆงถา ม, ถามว่า ร, ารู้สึกตัวไปได้ได้ถามว่าทําไมก็บางเหมือนพอเรารู้จิตพอจิตมันสงบหนูก็รู้พองยุบทันทีเลยเหมือนว่ามันสวิตกันไปสวิตกันมาเลยไม่เป็นอยู่แล้วในตัวเองนะ งั้นไม่ต้องจงใจทําก็ได้เดี๋ยวกลับไปติดอย่างเดิมใช่ใช่หนูกลัวหนูก็เลยมาถามท่านก็งั้นมั น, ม, นมันพลิกกลับไปเป็นสมถะเองอะ่ะค่ ะ, ค, ะคือตอนนี้หนูทํำยังไงต่อค่ะสังเกตนะจิตตอนนี้มันไม่ตั้งมั่นจริงมันโล่งๆว่างๆนะแต่เราติดอยู่ในความโล่งความว่างนั้นค่ะเราพอใจแนละ้วแล้วจิตเราไปเกาะเอาความโล่งความว่างนี้เป็นที่อาศัยเรารู้สึกตรงเนี้ยไม่ทุกข์ใช่ใชนะ่ให้รู้ทันเลยว่าหลงไปติดเหมือนไปละติดความโล่งความว่างให้รู้ตรงเนี้ย ถ้าเรารู้ทันว่าจิตมันพอใจไปติดอยู่ในความโล่งนี่นะมันจะหลุดออกมาเองอันนี้จิตจะเดินปัญญาต่อได้ค่ะถ้าไม่งั้นจะไม่เดินละจิตจะติดอยู่ในภพที่ละเอียดละเอียดอันนี้เองนะแลนะตอนนี้คือเวลานอนหลับคือจะหลับและเวลาตื่นนี่ไม่ว่าจะตื่นตอนไหนคือตื่นตื่นแบบไม่ไม่มีกังวลแล้วตื่นออปุ๊บดูจิตต่อได้ปั๊บแบบระวังจิตอย่าให้ติดเฉยๆอันนี้ก็แล้วกันนะตรงนี้ติดอยู่ค่ะค่ะเบอร์23า นี่ดีท่าที่มาถามเบอร์ยี่สามเพราะภาวนานะถ้าติดตรงนี้แล้วไปต่อไม่ได้ครับผมเพิ่งเริ่มมาฟังเทปซีดีกับในอินเทอร์เน็ตประมาณเดือนกว่าถึง2เดือนนะฮะแล้วก็ไม่เคยปฏิบัติอะไรมาเลยจะสอบถามว่าควรจะทำยังไงเวลาใจเรามีความสุขรู้ไหมดูออกไหมใจเป็นผุบรู้ไหมใจฟุ้งซ่านใจสงบดูออกไหมเคเก็บไม่แต่ละวันใจไม่เคยเหมือนกันใช่ดูเล่นๆไปเลยดูเหมือนดูคนอื่น ดูเล่นๆไปเรื่อยไปดูอีกยังไม่พอถ้าพอเมื่อไหร่ก็เป็นพระอรหันต์ครับอ้าวต่อไปเบอร์อะไรนะสามเจ็ดนะอยู่ไหนอ่ะการหลวงพ่อที่นี่ค่ะอ๋อว่างไรค่ะคือว่าไม่เข้าใจค่ะหลวงคือไม่เข้าใจว่าต้องทํำยังไงค่ะกับตัวเองนะคะไม่ต้องทําอะไรอะไรสงสัยไม่ต้องทําอะไรสบายใจรู้จักไหมสบายใจ อ๋อค่ะหลังหลวงพ่อได้ไหมคะเวลาหลวงพ่อหลับตาหลวงพ่อเห็นอะไรคะหลวงพ่อเห็นมืดมืดจะให้เห็นอะไรอะ่ะแสงมันไม่เข้าตามันก็มืดสิอ๋อค่ะคือถ้าจริตหนู ด, ดูกายอย่างเดียวพอไหมคะไม่พอหรอกนะค่ะเพราะว่าจริตนิสัยนะมันต้องดูจิต ด, ด้วย2องอย่างเหรอคะดูทั้งสองอย่างแหละ อย่างเช่นใจเรากังวลขึ้นมารู้ว่ากังวลใจเราเป็นสุครู้ว่าสุขใจเราทุกรู้ว่าทุกของคุณฝึกไม่ยากหรอกนะคุณฝึกไม่ยากเพราะว่าไม่ได้ทําอะไรยุ่งเหยิงมาอรู้ลองเล่นๆไปเลยค่ะคือไม่ต้องจริงจังใช่ไหมคะไม่จริงจังแต่ไม่ขี้เกียจค่ะกลัวว่าจะไม่ทำนั่นแหละขี้เกียจอันนี้คือขี้เกียจถ้าไม่ทํำเลยขี้เกียจนะแล้วก็คอยรู้สึกตัวดูกายดูใจเขาทางานไปเรื่อยๆดูเล่นๆ ไม่ต้องไป<ด>ทําอย่างอื่นใช่ไหมคะหลวงพ่อไม่ต้องหรอกโดยพื้นฐานใช้ได้แล้วนะไม่ต้องเดินนะคะเดินเดินสิไม่เดินก็พิการ <c oughs> อ๋อก็เดิน <c oughs> จงกมนะรมอะไรเงี้ยค่ะหลวงพ่อพเดินไปแล้วก็ใครรู้สึกตัวเห็นร่างกายมันเดินนะจะเดินไปขึ้นรถจะเดินไปทําอะไรจะเดินขึ้นบันไดจะเดินไปไหนก็ตามนะใครรู้สึกตัวเห็นร่างกายมันเดินไปเรื่อยๆเนีอ๋อคือมองเห็นเห็นมันเดินเออเห็นร่างกายเดินนะอย่างเนี้ถึงจะเรียกว่าการปฏิบัติ S <S ลำพังแค่ไปเดินโจงกรมกลับไปกลับมามันจะเดินสักเท่าไหร่เชียวหลวงพ่อหนูนั่งสมาธิได้ไหมคะยังไม่ต้องก็ได้อ๋อไม่ต้องนะฮะยัยงไม่รวมง่ายหรอกไาคิดมากค่ะ ข, ขอบคุณค่ะหลวงพ่ออ้าวโซนนี้ส่วนนี้อเอาเบอร์สี่เชิญเขาที่แล้วหลวงพ่อให้ไปดูลมอะครับแต่มันดูไม่ได้ครับดูลมมันน้อมไปหมดเลยครับเลยไปเดินเอาครับเอองั้นไปเดินเอาเพราะตอนนี้ก็รู้สึกว่ามันยังไม่เป็นกลางอะครับอื มันใช้ได้แล้วไม่เป็นกลางเรารู้ว่าไม่เป็นกลางใช่ได้นะกระตุกกระดิกไหมจะไม่ได้มาสักพักหนึ่งหลวงพ่อจะให้ดูอะไรเพ่มเดินลูกเดียวเลย ถ, ถ้าเดินแล้วถูกฉลิตนะเดินเอารกระตุกกระดิกเคยรู้สึกตัวนะร่างกายเคลื่อนไหวต่อย่าเพ่งอย่าเพ่งอัดไปปล่อยให้มันทํางานแล้วตามดูรู้สึกไหมตรงที่เรารู้ว่าเพ่งนะใจคลายออกมาเนี่ยนะคือความรู้สึกตัวจริงๆใจอย่าผ่อนคลายนะถ้าอาดัดอัดไปไม่ผ่อนคลายเนี่ยไม่ใช่หรอก ตอนนี้อัดไว้อีกแล้วรู้สึกไหมมันไม่ยอมคลายรู้สึกไหมเนี <c> ่ย <oughs> ยังกดอยู่รู้สึกไหมเออทำเป็นยิ้มๆแต่ข้างในก็ยังกดไว้อย่างเงี้ยเนี่ยเราก็แค่รู้นะเราสั่งมันไม่ได้อ้าร้อยหบค่ะกลบนมัส ก, การหลวงพ่อคะ่ะมาส่งการบ้านครั้งล่าสุดเมื่อเดือนที่แล้วอะคะ่ะก็เจออะไรเยอะเหมือนกัน6เดือน เจออะไรเยอะก็มันมีช่วงขึ้นขึ้นลงลงอะค่ะต้องเป็นอย่างนั้นทุกคนการภาวนานะไม่มีหลอกเจริญลูกเดียวมีแต่เจริญแล้วก็เสื่อมเป็นอย่างนั้นทุกคนจาไว้นะเพราะงั้นเจริญก็อย่าหลงดีใจเพราะเดี๋ยวก็เสื่อมเสื่อมก็อย่าเสียใจเดี๋ยวก็เจริญเราดูไปเรื่อยจนวันหนึ่งปัญญามันแจ้งมันจะเจริญหรือมันจะเสื่อมเราบังคับมันไม่ได้เเราต้องการตรงนี้ทัางหากต้องการปัญญาไม่ใช่ต้องการให้เจริญแล้วไงอีก ก็ช่วงแรกที่ไปก็เหมือนหลุงพ่อบอกว่าปฏิบัติอยู่ใช้ได้ใช่ไหมคะก็ชอบเดินจงกร ม, มก็มีอยู่วันนึงเดินเดินอยู่ก็ปวดหลังแล้วก็ล้มตัวลงนอนอจังหวะที่ล้มตัวลงนอนก็เห็นกายแยกส่วนหนึ่งแล้วก็จิตแล้วก็เห็นเวทนาด้วยะคะ่ะอ่นั่นแหละดีแต่เห็นครั้งเดียวไม่เป็นไรอย่ายอยากเห็นค่ะเห็นครั้งหนึ่งก็วิเศษแล้วหลายคนทั้งชาติยังไม่เคยเห็นเลยแล้วก็หลังจากนั้นมันก็เหมือนกับพึ่มหิมปฏิบัติด้วยตัณหาะคะ่ะ ม, มันมีความอยาก พอมันดีนะพอมันดีขึ้นมาเราก็จาไว้เราก็อยากได้ให้เรารู้ลงปัจจุบันว่าใจกำลังอยากก็แค่นั้นหมดเรื่องแล้วแต่ติดความอยากหรือเพ่งอยู่เป็นเดือนเลยค่ะทำยังไงก็ไม่หายาถ้าทำแล้วหายมันก็เป็นอัตตา <c oughs> เห็นไหมมันสอนเราตลอดบังคับ <c oughs> ไม่ได้นี่มาจากอ่านใหญ่ใช่ไหม <c oughs> ใช่ค่ะอ๋อเพิ่งจะจำได้จิตเรียนไปเยอะเลยจนโดวพอจไม่ได้ดีขึ้นเยอะเลยก็ <c oughs> ่าใช้วิธีที่หลวงพ่อบอกว่าถ้ามันติดเพ่งก็ปล่อยไปเลยไม่ปฏิบัติแต่มันทําไม่ได้จริงอะคะ่ะมันก็ติดจนกระทั่งแบบใจมันดินด้นดิน้นดิ้นแล้วบอกว่า <c oughs> ช่างมันมันจะติดก็ติดไปถึงนั้นแหละถึงจะปล่อนั่นแหละต้องอย่างนั้นแหละแล้วก็พอหลังจา ก, กนั้นสองเดือนหลังก็คือจะไม่ค่อยกล้าที่จะทําอะไรมากอะคะ่ะแล้วก็มีความรู้สึกว่าเมื่อก่อนมันจะว่างๆก็จะนั่งมาชำเลืองดูจิตว่าตอนนี้เป็นยังไงแต่ตอนนี้ไม่เห็นนะคะหลวงพ่อ นอกจากภาษาแรงๆดูดูจิตไม่ออกก็ดูกายไปเห็นร่างกายยืนเดินนั่งนอนดูอย่างนี้ทั้งวันก็ได้ยังอยู่ในร่องในรอยไหมคะดีสิดีกว่าเก่าเยอ ะ, <ฮ>ะเอาบีอร์ส่งเงินบ้านกลายเป็นมรดกครับก็เห็นสภาวะอยู่บ้างนะครับแต่ว่าติดว่าขี้เกียจ <laughs> ทําไมเมื่อสิปีก่อนเขาบอกขี้เกียจสิปีหลังเขาขี้เกียจอีกนะ <laughs> เอแล้วไงก็เหมือนบางทีฟังฟังเทศหลวงพ่อก็ได้ยินบ่อยๆว่าหลวงพ่อจะถามว่าเห็นกิเลสหรือเปล่าอะไรเงี้ยครับแต่ว่าถ้าถ้ามาดูตัวเองแล้วมันไม่ค่อยเห็นกิเลสท่านไม่เห็นทําไมไม่เห็นเพราะว่าจงใจดูขณะที่จงใจดูนี่ยมันกลายเป็นไปจ้องใส่จิตไว้จิตไม่ได้ทํางานตามธรรมชาติกิเลสไม่โผล่ความจริงตอนนั้นมีกิเลสอยู่ตัวหนึ่งนัคือความอยากจะดู เราไม่เห็นต่าหาเราไปดูผิดตัวเราไปจ้องใส่เข้าไปในความว่างๆมันก็ไม่มีอะไรให้ดูในขณะนั้นมีกิเลสแล้วคืออยากดูแต่ว่าบางทีมันจะเห็นเหมือนกับเป็นสภาวะอะไรบางอย่างที่จิตทำงานอะไรอย่างนี้อย่างนั้นใช้ได้นะดูอย่างนั้นแหละดีออาเบอร์73อยู่ข้างหน้านกล่าวนมัส ก, การหลวงพ่อค่ะดีใจมากเลยที่ได้ส่งกันบ้าน บ้านอันนี้กับคําถามอีก4ข้อที่หนูจะถามหลวงพ่อหนูตั้งใจมั้งแต่ต้นเดือนกุมภาแล้วมาถึงปุ๊บเนี่ยมีเหตุต้องกลับบ้านทันทีก็เลยเก็บไว้ดูหนึ่งเดือนอแล้วหมดไป ย, ยังคําถามดูามาเดือนหนึ่งไม่หมดอีกเหรอไม่ได้ต้องมีสี่ข้อนี้ไม่งั้นจะคาใจหนูตลอดหนูตั้งใจว่าวันนี้ส่งแล้วต่อไปหนูจะไม่ส่งแล้วหนูจะใช้ความสั่งสังเกตของตัวเองดูไปอย่าไปคิดอย่างนั้นไม่ฉลาดหรอกไม่ฉลาดบางทีมันจําเป็นมันก็ต้องส่งอ๋อหนูกะว่าถ้ามันไม่เหลือบากว่าแรงหนูจะหนูจะเอาเอาส่งทันที ก็หนูจะบอกว่าประมาณปีเสษเจษที่เรียนกับหลวงพ่อแล้วก็พระอาจารย์อีกสองรูปเนี่ยหนูพบว่าครูบาอาจารย์เนี่ยสอนแต่สิ่งที่ถูกแต่เราทำแต่สิ่งที่ผิดตลอดเลยแล้วก็คงแต่ก็ก็ดีใจว่าทำบุญมาได้เจอหลวงพ่อคอยบอกว่าไอ้นั่นก็ผิดไอ้นี่ก็ผิดแล้วเราจะได้รู้ว่าไอ้ที่ถูกมันเป็นยังไงแล้วก็ตอนนี้ก็รู้ว่ามันมันมีโมหะคุมอยู่ตลอดเลยดีล มีวันเข้าไปในห้างเนี่ยเหมือนกับว่ามันเข้าไปเนี่ยมัวๆเนี่ยจะสบายแต่พอมันชัดขึ้นมาแล้วเราไปฝืนให้มันชัดเนี่ยไม่สบายละหรือถ้ามัวลงไปกว่าเดิมเนี่ยก็ไม่สบายเหมือนกันก็เห็นอย่างนี้แล้วก็อรู้เท่าที่มันเป็นเนี่สบายค่ะแล้วก็ตอนระยะหลังเนี่ยคือตั้งแต่เดือนกันยายนหลวงพ่อบอกว่าไม่ต้องทําปฏิบัติในระเบียบแล้วเพราะว่ามันติดเพ่งหนูว่าตอนเรียนรู้ ผัวเพ่งเป็นชีวิตจิตใจแต่พอปฏิบัติแล้วตัวเองเพ่งเก่งเป็นชีวิตจิตใจเหมือนกันรู้จักหมดเลยหนักแน่นแข็งซึมทื่อ<ม>เนี่ยแล้วก็พอสิ้นปีมาหลวงพ่อบอกให้รู้กายมากๆกลับไปเนี่ยก็ไปมันไม่ยอมไปรู้กายมันไปแวบหนึง่งแล้วมันก็มาเพ่งจิตตลอดเลยเ<ม>ช้าๆหยิบขึ้นมาพิจารณา<ม>จนมันเพ่งจนแบบหนูไม่ไหวแล้ะคือมันมันแน่นแล้วก็ รู้ว่ากดในกระเพาะมันก็หลังมันเครียดอก็จนวันหนึ่งแบบเออฉันไม่ไหวแล้วก็บอกเองว่าฉันไม่เห็นแกเป็นชั้นตรงไหนเลยอสั่งแกก็ไม่ได้บอกว่าไม่ต้องทําอะไรรู้ว่าไม่ต้องทําอะไรมันก็ยังทําของมันอย่างเงี้ยก็เลยว่าช่างมันละมันจะมันจะกดมันจะอะไรก็ดูไปอก็ดูไปเรื่อยมันก็เป็นกลางบ้างไม่เป็นกลางบ้างมีวันหนึ่งเนี่ยขับรถอยู่เดี๋ยวนี้หนูขับรถหนูจะเห็นอะไรที่มันใบไม้ร่วงมาเห็นรถ กระทำเพิมแ ล, ล, ล้ว ม, มันจะเห็นเหมือนเห็นความเคลื่อนไหวอยู่ในนั้นค่ะอย่าให้ใจเราเคลื่อไปนะเรียมรู้สึกไว้ค่ะแล้วก็มีวันนึงเนี่ยขับรถไปส่งน้องไปปฏิบัติหนูว่าเดี๋ยวนี้หนูไม่ชอบฟังธรรมหลวงพ่อฟังแล้วจิตมันหนักเวลาตรวจกันบ้านมีวันก็ทั้งปิดอยากฟังก็เปิ ด, ห น, กกปดหนักก็ปิดออยากฟังก็เปิดหนักก็ปิดอีกตอนหลังฟังเพลงแล้วก็ครั้งหนึ่งแฟนไปด้วยกันเนี่ยเขาชอบฟังซีดีหลวงพ่อเวลาที่รถ แต่เขารู้ว่าหนูอะช่วงเนี้ยจิตหนักเวลาฟังเขาก็เลยไม่เปิดหนูเห็นว่าเขาชอบฟังหนูก็เลยเอื้อมไปเปิดให้รู้เนื้อรู้ตัวเอื้อมไปแล้วก็กดพอได้ยินเสียงหลวงพ่อเนี่ยก็รู้ว่าเออจิตมันกลัวความกลัวเนี่ยมันเข้ามาจับหัวใจเลยเสร็จ แ, แล้วเนี่ยก็ไปเห็นความกลัวเนี่ยมันสลายไปมันมันเห็นหนูไม่แน่ใจว่าคิปเองหรือเปล่าเหมือนเห็นตัวรู้เนี่ยไปเห็นความกลัวแล้วก็เห<ม>็นตัวรู้อีกตัวเนี่ยมาเห็นตัวนี้แล้วหนูก็ยิ้มตามตอนนั้น ฟังเทศหลวงหลวงปู่ตูนพ่อสอนว่าหลวงปู่ตูนพ่อจิตยิ้มพอดีหนูก็ยิ้มตามไปด้วยเลยค่ะแล้วก็ก็ยิ้มอยู่เกือบเดือนเสร็จแล้วเนี่ยเามื่อวานเอาเขากระดคำถามสี่ข้อข้อแรกเนี่ยยังไม่เริ่มถามอีกเหรอยังเลยให้เราหลงฟังมาตั้งนานอันนั้นการบ้านเน่ยอันนี้คําถามมีอยู่อันนึงที่หนูสงสัยมากเลยหนูปฏิบัติไปรู้จักคําว่าสมมุติกับปรมามัิรู้จักปรมามัิขึ้นมาเนี่ยมีอยู่ ออกจากคอสตอนอยู่ในคอสเนี่ยพอรู้ว่าปลาร้าดเป็นเงี้ยก็ลยลึกแต่ปลาราดจนกลับบ้านเนี่ยมันมีอยู่ช่วงหนึ่งความคิดมันไม่ทํางานนั่นแหละทําผิดแล้วอหนูก็เห็นโลกนี้มันมีแต่คนบ้าอืเรากําลังบ้าด้วยหรืว่าหนูจะบ้าหนูจะอยู่อย่างคนบ้าหรือว่าหนูจะตายไปซะหนูก็นึกถึงพ่อหนูพ่อเคยพูดว่าไม่บ้าก็ตายหนูก็มันเป็นแบบนี้หรือเปล่าไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่หรอกนะแล้วกอ็อันที่สอง หนูว่าหนูถูกมิจฉาทิฏฐิมันทําร้ายตอนเนี้ยเมื่อวานก็คืมอกคืมใจซื้อดอกไม้มาถวายหลวงพ่อเออเดี๋ยวจะเอาไปถวายหลวงพ่ออยูย่ๆก็ถวายทําไมไม่มีอะไรไอ ไ, รไม่มีอะไรไม่ใช่หนูถึงว่าหมูนเนี้ยมันมีความคิดว่าไม่มีอะไรอะไรก็ไม่มีมันมเป็นมิจฉาทิฏฐิชื่อนัตถิกาทิฏฐิเราต้องรู้ทันใช่ไหมก็ให้ ร, ร, ร, รู้ทันยังเป็นปุถุชนนะยังไงก็มีมิจฉาทิฏฐิเพราะว่าบางทีเห็นเราอ้ย่อๆเร็ว ออแล้วก็อันที่2ก็คือหลวงพ่อบอกว่ <c oughs> าไม่ต้องเข้าคอส <c oughs> คนเนี้ยเขาชอบเข้าชอบเข้าคอสปกติจะไปด้วยกันหลังๆครั้งสุดท้ายเนี้ยก็เลยหนูก็บาสละสิทธิ์แต่เขายังชอบไปเวลาอยู่บ้านคนเดียวรู้สึกถึงความไม่ปลอดภัยก็เลยไม่รู้ว่าหลวงพ่อจะร อ, อมชมบบุคคลสอ2คนนี้ยังไงให้ต่างคนต่างเดินใครถนัดยังไงก็ก็ต้องต่างคนต่างเดินเนี่ใครถนัดทางไหนก็ไปสิก็คือหลวงพ่อไม่ออกใบผ่านทางไม่ควรไปเข้าคอสใช่ไหมคะหลวงพ่อไม่ได้บอกอย่างนั้นแค่คิดอย่างนั้นแหละ เอาเบอร์เจ็ดสิบให้คนอื่นเข้าบ้างเอาเบอร์เจอยู่ข้างหลังคุณโสพนกราบหลวงพ่อครับหลวงพ่อครับผมไม่ได้ส่งมาสเดือนเนี่ยผมเห็นสภาวธรรมอยู่ก็เข้าใจหลักธรรมอยู่ส อ, สองอย่างครับหลวงพ่อผมคิดว่าผมไม่ได้ไม่ได้เข้าใจด้วยการคิดอะนะครับคิดว่ามันคือมันเข้าใจจริงๆก็คือว่าผม เข้าใจคําว่าเราจิตมันมีหน้าที่ปรุงแต่งแต่เรา อ, อย่าไปปรุงแต่งจิตอือตอนนี้ผมรู้สึกมันเข้าเข้ามาถึงใจแล้วแล้วอีกอันหนึ่งคือผมฟังหลวงพ่อมาตั้งนานมากแล้วนะครับเรื่องพัดที่หลวงพ่อชี้ว่าเห็นไหมเนี่ยนี่มันพัดถ้าเราไปดูมันเนี่ยเราก็เห็นว่ามันไม่ใช่เราผมก็นึกแย้งกับหลวงพ่อในใจมานานก็พัดก็ไม่ใช่เราอยู่แล้วแต่มาตอนนี้แล้วหลวงพ่อก็บอกไปอีกกายก็เหมือนกันกายเนี่ยเราไปดูมันเนี่ย มันก็ไม่ใช่เราอจิตก็เหมือนกันอืพอรู้คำนี้ปุ๊บอ๋อเราแบบมันใจมันเต้นปุ๊บปุ๊บป๊บขึ้นมาเลยครับอ๋อที่หลวงพ่อพูดตั้งนานนี้เราโง่จริงๆนะครับเราไม่เข้าใจมันจริงๆจนมาถึงวันนี้อ๋อเราค่อยค่อยเข้าใจมันอันนี้ผมคิดว่าผมไม่ได้ใช้คิดเอาใช่ไหมครับผมใช้ได้ครับหลวงพ่อแล้วก็พอดีพาแฟนมากราบหลวงพ่อสักได้เดือนหนึ่งแล้วครับหลวงพ่อแต่เขาก็ยังทะเลาะกับลูกกันอยู่ตลอดเลยครับ จนป้าไม่ทะเลาะกับลูกแต่บางค้เขาจะเปลี่ยนเป้าแล้วเขาจะไม่ทะเลาะกับลูกแล้วเขาจะทะเลาะกับเราแล pues ้วคราวนี้รบกวหลวงพ่อช่วยไหนไหนอยู่ไหนเวลาเราอยากว่านะเราก็รู้ว่าอยากว่าเราอยากตบเราก็รู้ว่าอยากตบนะเราคอยรู้ทันใจเราไว้เรื่อยๆนะไม่มีอะไรยากหรอกการภาวนามันคือการคอยรู้ทันตัวเองอะ คนทั้งหลายเนี่ยถูกกิเลสผลักดันมีความอยากโน้นอยากนี้เกิดตลอดเวลาแล้วไม่เคยเห็นถ้าไม่เคยเห็นน้วต้องตกเป็นทาตของกิเลสถ้าเราเห็นนะใจเราอยากโน้นอยาก น, นี้ขึ้นมาเราคอยรู้ทันนะกิเลสจะครอบงำใจไม่ได้ใจเราจะได้มีอิสระนะลูกสาวไม่มาเหรอให้มันส่งกันบ้านไหนคนนี้น่าฟังตัวปลอมหรือเปล่า <c oughs> ไม่รู้เหมือนกันคะ่ะอว่าไปือว่าเมื่อ เมื ว, วันพุธค่ะหลวงพ่อหนูเป็นไข้แล้วก็ตอนนั้นนอนอยู่บนโซฟาแล้วมันปวดตามากเลยค่ะหลวงพ่อคราวนี้หนูก็เห็นว่าตามันก็ป่วยของมันร่างกายก็อยู่อีกอย่างหนึ่งแล้วก็จิตมันก็อยู่อีกอย่างนึงค่ะคราวนี้ก็เห็นอีกว่าไม่เห็นจะต้องไปอะไรกับมันเลยก็ปล่อยให้มันปวดไปก็เรื่องของมันมันไม่ได้ใช่อะไรของเราอะไรประมาณเนี้ค่ะแล้วไปหาหมอป่ะ ไไ ป, ไปที่ว่วาเราก็ต้องไปให้หมอมันดูนะร่างกายมันเป็นอะไรแต่ใจเราไม่ทุกข์หรอกใจเราไม่ปวดด้วยฝนะึกไปนะกายก็ส่วนกายเวทนาความปวดก็ส่วนความปวดจิตก็ส่วนจิตต่างคนต่างทํางาน <c oughs> ดีเระาะนาเกง่งเอาเบอร์126ยยี่เห็นไหมผู้ใหญ่กลัวมีเยอะเลยเงียบไปค่อนห้องเลยกับนมัสการหลวงพ่อครับ รู้สึกตื่นเต้นครับครั้งนี้เป็นครั้งแรกครับผมคืออยากจะถามหลวงพ่อว่าคือก่อนก่อนที่จะปฏิบัติธรรมเนี่ยผมจะเป็นคนที่ไม่ค่อยแสดงอารมณ์อะครับคือหมายถึงว่าแบบเวลาที่โกรธเนี่ยครับก็คือจะไม่ไม่ไปด่าเขาไม่ไปไปต่อยเขาหรือว่าไม่ไปหาเรื่องเขาเนี่ยครับแล้วคือเหมือนกับพยายามกดไว้แล้วพอหลังจากที่มาปฏิบัติธรรมเนี่ยผมไม่แน่ใจว่าผมรู้อารมณ์โกรธหรือว่ายังกดไว้อยู่ะครับผม มันรู้สิมันถึงแสดงออกมามันหลุดออกมามันรู้แต่ว่ามันยังรู้ไม่ทันไง น, นะดังนั้นขั้นต้นเลยนะการภาวนานะเราต้องถือสีดไว้ก่อนเราตั้งใจนะว่าถึงเราจะโกรธคนแค่ไหนเราก็ไม่ทําร้ายเขาไม่ว่าเขาอะไรเงี้ยเราจะคอยรู้ทันความโกรธที่เกิดขึ้นในใจเราจะดูความโกรธที่เกิดในใจเราเนี่ยเหมือนเราเห็นคนอื่นกําลังโกรธอยู่เราดูเหมือนดูคนอื่นโกรธดูอย่างนี้บ่อยๆนะเดี๋ยวก็ดีอันนี้ที่ฝึกอยู่ใช้ได้นะ ใจเริ่มตื่นขึ้นมาแล้วเบอร์หกราบนมาส ก, การหลวงพ่อค่ะวันนี้มาวันแรกค่ะแต่เดิมเคยฝึกแบบอนาปนานสติก็ยุบหน่อบ้องหนอมาค่ะโดยได้ฟังซีดีหลวงพ่อมาสักยะ น, นึงแล้วก็ลองฝึกตามอะค่ะแต่ในใจก็จะสงสัยตลอดเวลาว่าตัวเองฝึกอะค่ะถูกจริตตัวเองหรื อ, อยังเพราะว่าทั้งฝึกแบบยุบหน่อบ้องหนอหรือว่าอานาปนานสติก็คือมีความสุขทั้ง2แบบอะค่ะ เราไม่ได้ฝึกให้มีความสุขนะเราฝึกเพื่อวันหนึ่งเราจะละความเห็นผิดว่ากายนี้ใจนี้คือตัวเราถ้าเราฝึกเอาความสุขก็ฝึกแค่สมถะมีความสุขถ้าจะทํำวิปัสสนาเนี่ยเพื่อให้เห็นว่าตัวเราไม่มีหอกกายก็ไม่ใช่เราใจก็ไม่ใช่เราแลง้นฝึกเราต้องให้เกิดปัญญาเพราะฉะนั้นเราจะฝึกรูปแบบอะไรเนี่ยตัวรูปแบบไม่ใช่ตัวสําคัญ เราสำคัญคือสติของเราเป็นสติตัวจริงไหมใจของเราตั้งมั่นในการรู้อารมณ์จริงไหมเราต้องค่อยๆฝึกจนสติตัวจริงเกิดจนกระทั่งใจตั้งมั่นเป็นแค่คนดูสบายๆถ้าใจตั้งมั่นเป็นคนดูจะเหมือนเด็กตะเกียบเห็นกายทํางานเห็นเวทนาทํางานเห็นจิตทํางานแยกกันนะแต่เราเบิกบานเรามีความสุขอยู่มันจะไม่เหมือนกับการมุ่งไปหาความสุขโดยตรงนั้นอย่าไปติดอยู่ในความสุขความสงบนะอย่าไปติดที่รูปแบบของการปฏิบัติ การปฏิบัติเนี่ยถ้าสติที่แท้จริงเกิดแล้วไม่มีสายกายหรือไม่มีสายจิตบางครั้งสติก็รู้กายบางครั้งสติก็รู้จิตสั่งมันไม่ได้แต่คอยรู้สึกไปเรื่อยนะทุกสิ่งทุกอย่างในกายในจิตเนี้ยที่กำลังทํางานอยู่มันทํางานงานของมันได้เองเราดูเหมือนเราดูคนอื่นไปเรื่อยใจของเราเป็นแค่คนดูที่สบายๆอย่าไปเคร่งเครียดนะแล้วที่ฝึกมาถูกจริตกับตัวเองไหมคะจริตจริงๆนั่นโดยจริตในด้านสมถะเนี่ยจะเป็นพวกโทสะ จะโกรธง่ายพวกนี้จเจริญเมตตานะจะสบายสบายกว่าหายใจอีกนะส่วนในทางวิปัสสนาเนี่ยเป็นคนช่างคิดให้ดูจิตไปเลยเพราะณปัจจุบันนี้ค่ะก็คือสวดมนต์อยู่แล้วก็ <c oughs> เห็นจิต <c oughs> เห็นจิตมันไหลไปไหมส่วนสวนมนต์เห็นค่ะนั่นแหละดี <c oughs> นั่นแหละดีดูจิตได้ก็ดูอย่างนั้นแหละ <c oughs> ในสุดจิตขยับนิดเดียวเราก็เห็นนะอาเบ <c oughs> อร์ <c oughs> ้อย39บคนสุดท้าย กราบนมัสการหลวงพ่อครับอยากให้หลวงพ่อตรวจกันบ้านนะครับว่าที่ภาวนาอยู่เป็นอย่างไรตรงปรับปรุงอ ะ, อะไรอีกครับดีขึ้นเยอะแล้วรู้สึกเปล่ารู้สึกครับนะเรารู้สึกตัวเราตื่นขึ้นมาใจเราโปร่งโล่งเบานะเราก็ดูกายดูใจเขาทํางานไปเรื่อยๆดีนะฝึกอยู่ครับผมกราบขอบพระคุณมากครับหมดละ ว, วันนี้สบายเหลือเหลือพระอีกกลุ่มม <laughs> ันก่อนมีพระมาขอเข้ามาหลวงพ่อ บอกได้ฟังซีดีหลวงพ่อนะตั้งแต่อยู่เมืองการว่าพระอะไรว่าดัดเสียงทำเสียงใสหน้าฟังยังมาเจอตัวจริงก็เสียงเหมือนในซีดีแหละช่วยไม่ได้ก็เสียงมันหล่ อ, <c oughs> <c oughs> อไปเชิญกลับบ้าน